เรเห็นว่ามเป็นขาวดีของพิเศษในความเริจริงแล้วไม่ใช่ของวดีมัเป็นตัวทุกแ้ๆเลยคนที่ิตปัญญาไม่พอที่าล้างนสุ่มวาเป็นทุกข์ว่าพอเราพอมาเห็นความจริงแก่แค้งจะรู้เลยว่ากครทม่เป็นทุกข์นนี่เมื่อเห็นว่ากา่เป็นทุกข์เป็นรูนู่ี่ม็จะปล่ยวางความผิดต่อกายได้เป็นปัญญาอันตขเรา ยังไม่จบเรียงมีตัวเราเป็นต้นไม่ีน้ำที่ฟังดีๆถึงไม่ไองนาท่านเห็นก็ติดตัวตถ้าไก่็นแฝไก่นี่เป็นตัวตุกเมืออน่าไก่จะ็ตัวตุกแล้วจิตจะกิ้งกายจะปล่อยใจ้ะควรก็หาปวดจิตเรามาากนาเมืเรียนรู้ที่ปวดจิตจนวันปัญยาแก่รอดปัญญายั้นสุง ท้าุจิตเยมเห็นความจิจิตที่เป็นทุกข์กันล้วนลงเห็นทุกวัเรียกสุขเห็นจิตเราเป็นสุบ้างเป็นทุกข์บ้างมเ็นมัเป็นเป็นทุกข์มีสองอย่างในเรือกจิตจะไม่ปล่อยวางแลก็จะเห็นปุกเศต้ของกายเปิดวางตายได้เห็นปุกเศษข้งจิตก็จะปล่างจิตได้เรื่ไปตัดจิตไม่ปล่อยวางกายไม่ปล่อยา ในเราต้งเรียนได้ครับโอเคเราก็จะได้สอนวี่จีทพืจะให้เรามาเรียนรู้ใจรู้ใจขอกเราจะได้เอาจริงเป็นอันดับนดไปข้อแหวนใส่แหวนก็ยากมากยากจริงๆนะเลือดตากระเด็นจอตองจะให้เห็นมาก หลวดย์ไดเกต่อหพอนีว่านักปฏิบัติที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เสียงส่วยใหญ่ที่นใหญ่ผใหญ่เ่าเพือ ทำใหญ่ๆใ่ๆได้กินหรอกทำนิดๆหน่อยๆจะได้นิดหนอถ้าปวดทนมาทําองแต่ข้างนี้เล่อยได้ไมได้ครับเขาถ็นหงเลยต่อไปถ้านี้เกิดไม่ได้ข้างต่อไปง่ยมก้านี้หรอีใหญ่ๆเลยๆาก็แย่เราดินได้จะดิเปลี right mm ่ยนไป มันเกิดในพระสูตรจะมีว่าจิตมันเบื่อหน่ายกายกำหนักแต่ไม่มีคำว่าปล่อยวางหลุดพ้นไปเลยไม่ไม่มีคาว่าปล่อยวางมก็ล้วางสติ่าขมันวางของมันเองวพระสูตรมีพระท่านท่านทำสติปัฏฐานจิตท่าแข็จิตไม่เกาะฐ่วนคนอื่นทสติปัฏฐานนะไม่แข็งาจิต ถ้ารเห็นความจริงกันตามสถิติศาสตร์จิตาแก่ขันก็อยูั้งนั้นอย่างเราเราเจอจิแรกเจเ็นจิตอารมค์มีแยกกันตามส่วนเนยังไม่แก่ขันจิตภาแก่อารมณ์น้ร่างกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งร่างกายนอารมณ์จิตเป็นรูปตุตามส่วนวามสุวนนอารมณ์ที่จิตเป็นรูปุสุขสารส่วนเนอารมณ์ที่ิต วิญญาณที่เกิดทางตาบูมูเป็นกจใจเป็นสิ่งที่จิดเสื่ต่อเข้าตัไปเรื่ยอะไรจะเหนจริงจะเห็นพลาดแก่ตนแรกจะตลาดแก่ตรงพลาแต่ตรงไม่ได้หัดปฏิบัติเที่หอสเดือนสองเดตันกิดจะรเราแยก ทีการงานใช่ไหประัเป็นตู้ปีตให้แค่เดือนทีกันกสนับเร่ธรรมะทำสีกันสักสีส้วงส้วงกันอยู่นะใ่ส้วแบบวัต เคลื่อนไหวแฝงของกายจงมาี่เป็นความขั้งมั่นของจิตพอตัวมาเป็นผู้รูปผู้ถ้าสติจะรู้โลนามีจิตตั้งวันเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นความจริงแต่ถ้าจิตไม่ั้งว่าเป็นผู้รูปผู้ดูจิตจะเข้าไปแทรกแซงจะไม่เห็นความจริงเวลาเล่าศาสนาเมื่อคล้ายเกิดแท้สติเกิดผีแท้สมาธิเกิดโดยที่ไม่เจตนา เมาธินต่ลสมัธิว่าสมีธินต่ละมาธิความเป็นเจริญแต่ละสมาติสมาธิัต่ละอย่างนี้สมัธิเนี่ยไม่เกิดอนิมั้งมอะไรงใจมีความโวงใจที่ทาสติโวงใจทาสมาธิดวงใจเจริญเติบใหญ่ดวความโวงใจทาให้จิตรื่นร้อนสกความวใจไม่ว่ามันโลสายกจิตนาเป็นปัจจัยให้เกิด จะทำ ก, กับองคจิตจิตจะทำมาเพ้่แเมจิตจะตามมาจจะั้างภพสร้าง้าติที่มีฐานระรุ่งมั่คนแล้วเราจุดเป็นขนาดลงมัน ม, ม, ม่นมีความตงไกลเหลืออยู่เลยจุดที่มันจะเข้าใจาสติมันเริ่มรู้อยู่ที่จิตมัอไม่เจตนาเริ่มรสมาธิจิตตั้งวั่นอยู่ที่จิตมัอไม่เจตนานจะตั้งมันปัญญาเห็นความเปลี่ยดับไปในจิตมันไม่เจ ทีออมีท์าจริงรองรับทั้งหมดเก็มาดูท่ได้่ท่เห็นใจรอค่ช่าไ่มอน่